พระธรรมเทศนาแผ่นที่61ดลำดับที่27โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดปานาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่สมีนาคม2557มีชื่อเรื่องว่าควรมีวินัยในตนเองเขาสินัดเขาไปพาตัดพาตัดแปบเดียวท่านนะ่ะคู่มือเนี่ย ตาสว่างแต่ว่าตาไม่จริงผู้เฒนะ่ายจะให้ตามั่วไว้ไดีวาหูก็หูตึงไว้ตาก็ตามั่วไว้ขั้นวัาตาดีหูดีขั้นลูกหลานเบายูสัยได้เงีย ม, มัดไปจมยู่แล้วเปลืกกว่าหนะ่อไปขั้นตาเห็นเห็นสอดลูกสอดเห็นเขาเห็นยู่สัสก็เห็นมัดเอาไปมาแล้วจมว่แล้วเปลื ก, กว่านะ่อผู้เฒ่าเนี่ยมันตามั่วไว้ดี หูตึงไหววะโนไปยังคอยถูกรักษณะของพู้เฒาแมนบอชคือคือบวชตั้งแลุงพ่อว่ากันั่นน่ะขันพู้เฒาตาดีหูดีลูกหลานเบายู่ใสล้วเอามาบวาบแลาไปเอมานั่งเนยเหมือนเศรออกมาเคลียสักกี่ไฟจมออยู่กันั่นแล้วนไปให้หูตึงไหวเนี้ยดี เมื่อใดคูบออนะ่บาเขาสาสิบสององค์นะ้เมื่อในะพระสามสิบสองลงมาชั้นยี่สิบหกงดชัน้นหกอะมือว่านหลวงพ่อเห็นคู่บาออกทำงานทั้งหนอ ก, ก็เลยไปหาปัดทัดทั้งหลังวัดผมก็น่าวะก็เลยนั่งรถไปหมกไหนมันหกก็จะลงไม่ตาดปัดไปเลยวะก็เห็นไร่หม่องเนยะวะแต่คู่บาปัดโตมือว่านเลย รู้สึกว่าวัดของเข้าเป็นหลายกิโลเลยถนนรู้สึว่าแปนไปเมื่อวานนีแต่ปแปลกที่นแนวหนึ่งว่ะเมื่อวานเนี่ยพ่อนางรถไปมันคำว่าท่านหมืด น, นะมันยังแจง้งยังสว่างอยู่ใครเข้ามาเห็นหางงูมันพนออกมาจากคนออกมาจากทางมันมาผ่านถนนค้อกีตัวนไปข้าเขียนนี่นะว่ะ แต่ว่า ง, งูตัวนี่ลงพอมันตรงขนาดนี้ว่า ง, งูตัวนี้แต่ว่าหางมันโผล่มาประม่านคาแก่นนะนปากโบดมันกรแลดลลุยลุ ย, ล ย, ล ย, ลยไปรดแล้วไงปากโบด ไ, ไปหายเจี๋ยไปงูได้ยนาะดวะผมว่างาใหม่ใั่ไหมวะเออดำคือเลยมันงาใหม่ยังได้งูจงอ่างกระคากระดมึงไงวะบางทีก็มันแลน ล, ลุยไปเล่อยไปเจียยไปเรื่อย มันเป็นอนุบูดมันเหยียบหางูเดิมเมื่อกี้นี่นะวะถอยหลังออกก็หนาวะถอยหลังเบิ้งก็หนาวอ่ะก็เลยเบิงถอยหลังออกมาเบิ้งนั่งสังเกตุมามันก็จังแจงอยู่เลยผมมันหาโมกควานมาบัด้ามาเบิงบกบูดว่ามันงาใหม่มันก็บอเห็นหมดบอเห็นงาใหม่หมไปเขาว่าเหยียบหางูมันกูมันกยานจินตินแคว่งเพาะเลยไปงูใหญ่ขนาดนั้นมไปมิดจีีเลยหมดไปถอยมากกมิด ตอนเหยียบไปก็มิดอีกเฮ้ยสงสัยเป็นพญานาคบอสเฮ้เขาเลยสงสัยเป็นพญานาคเพราว่ามืองไหจะไปซ่องว่าอีโยนเปกันเหยียบขนาดแลนหัวว่ดาไตา่กันสักน้อยได้แม็นบันวหรือมันต้องดินนะ่ะเหยียบมู่เหยียวมันข้าวนาดเตียวไปมันถนนคั้นกีดยังจีนนี่รถแลนไปเลยมันยืนหามาจนเกือบเคียงถนนคนน่ะ มันอาจะเจ็บมันาจะแควงตุ่มันว <cast> ่าม <Yeah. S 1> ันเจ็บเม่อนบัวละอันนี้มีจีรีอยู่บาไปฮักกระชงใส่บ่บักบูมมือไปหาเจ็บงูได้ยังไงว่งกูบึงงูได้วบ่อน้าปูวังหักไม้ไอ้งาไม้ไม้เดีก็ดักพัวโดยย่งง่ายๆแบบนั้นวะถอยลงก็น่วบึงบซองกระจกได้เนีอทอก็ะซองขึ้กันนะวเออเาก็เปิดกระโจกกซองนกันวอย่ามันเจยบงูซ้ำอีกนอไป บ้ า, าเยยบมาไล่จนพุ่นนะบ้าอะไรก็ไล่เปิงพอเห็นเหมืนนนนนนอนมึงข่างกับบงห่างๆก็พอเห็นอีโอ้สงสัยพญานาคแล้วนี่วะบัว่านน่นรู้สึกว่าถนนใบไม่คือรู้สึกว่าพวกกูบ้าปัดกวาดทำความสะอาดโอ้สะอาดสะอาดคือมันถนนวัดของหลวงพ่อเกือบทุกเส้นะ เทคนกรีดแต่บได้เทหนาหรอกเทพบางๆเทพพม่าณหาเส้นี่ยนะให้พระได้เดินตะเวนหากหารเทท่งเดินยังกลมก็ได้การบุตรอยากเดินยังกลมเลาะหัวเลาะกําแพงตัวกลางกัมเพงมองไหนมองว่างเอาไม้ไปขันเทท่ายังกลมก็เดินยังมัดมือก็ได้เพามีบุตรไปไกลเพราะมันเป็น ทีของห้องมันกว้างทีผมพันก็เลยนะไปเจอออกเที่ยวตูดอกในวัดนกันบวบปลุงออกนอกวัดนะการคิดพวนาธรรมดานี่ยโอ้ที่พวนามองได้ก็ได้ลบไปมองได้ก็ได้หามุมสงบได้มดในวัดของห้องเผอเผยังี่ยโมเวนเงียบอีกตั้งหากเผยเผยกันพุ่นกันพู่ยันพี่หลอกกันยันพี่หลอกอีกตั้งหากคนละวะมันเงียบไปว่าลงไป ขอไปทางนั่งอมีลานมีห้องน้มห้องน้ำกับสายน้มกัปลอยสายน้มไปทุกหัวไลลแหงอีกสายน้ำห้องน้ำใจได้อ่าจไปพ่อวานาบองใดอื่นไปปัดกวาดทาความสะอาดถ้ำเดินย่างกรมก็เดินย่งกรมมัดมือก็ได้ไม่พอได้ไปไก่ไปไกาย กติขึ้นกันคืนไปแล้วกปัดกวาดทําความสะอาดเป็นนางพวนานะต่างจิตอธิษฐานข่าวพระเจ้าจะนางพวนาสักหาชั่วโมงบนหัวท่านก็ย่างได้หมดไปสรุปเราก็คือให้มีความสัต์ความจริงกับเจ้าของท่านนะวิธีการพวนาหรือว่าการศึกษาขึ้นกันช่วงนี้ เอาศึกษาเรื่องพระวินัยจะศึกษาเรื่องวินัยพยายามอ่านหนังสือวินัยมุกเหลมหนึ่งเหลมสองเหลมสามนับวโกวัตจากนั้นพระไตรปิฎกศึกษาเรื่องวินัยความเป็นมาของวินัยจังไรวินัยของพระพุทธเจ้าบัญญัติตปัะไตรปิฎกเป็นมาสักยุคสังข่ายยานามีสักยุค สังฆา ย, ยนามีทั้งเวท ม, มิหาหเถือเลยพระพุทธเจ้าปรินิาานพ า, น ม, น, าพ น, นมาเนี่ยพ่อต่อมานี่ยมีหนังสือพระไตรปิฎกขึ้นมาเลยก็เลยสังฆา ย, ยนาก็เลยหน่อยลงสังฆา ย, ยนาคังยิงใหญ่คือไผ่คังใดเนีก็มีอยู่สองสามคังเนี่ยสังฆา ย, ยนาคังยิงใหญ่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วร้อยกว่าปี พระพุทธเจ้าปรินิพานไปสามเดือนอันนั้นเป็นวัิประชุมหาลือเกี่ยวกับรวบรวมหลักประธมีไดนที่ทำจตุบันคักูหากรุงราชคฤห์ อ, อันนั้นคือครั้งแรกพระสงฆ์หารอยรูปล้วนแต่เป็นพระหันทำสังฆาณาครั้งแรก เป็นยังเป็นยังเป็นยังมีเหตุไอ้ยังมันต้องมีเหตุจากก่อนแต่ละขังมีเหตุจากก่อนแต่ละขังยังทาสังขายาหน้าก็คื อ, คอมีพระเ่าพระเ่าคงแกเลี่ยนพระเ่าเป็นลูกศิษย์ของพระมหากัสจปะพระมหากัจจปามีบริวารหลายเลยหาลอยพ่อพระพุทธเจ้าบริเนพนัญ กุงกชินาลาพระมหาการปะนำพระสงฆ์เขามากราบคารวะชลีละของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ทายู น, น, นี่ก็หลายเป็นลอยเป็นหลายพันองค์ละว่าพระพุทธเจ้าประเด็นพันก็ตั้งร่องห่มร่องไหฮกันขนาดพระอนนันอายุแปดสิบปีเป็นพุทธอุปถากพระพุทธเจ้า เป็นอายุทอกันขปุตตะเจ้าจะเป็นลูกผู้นอ้น อ, งอง น, น้องพ่อนี่ยน้องพระบิดาของพระพุทธเจ้าเพิ่นเงิน อ, องห้ยขึ้นกันเนพิ่นเพื่อย่งพรท่านได้สาเร็จเดชพรท่านสําเร็จเป็นพระราหารนะย่งเป็นผู้ศึกษาอยน่าเป็นว่าเป็นอ่เสขะเนี่ยเป็นผู้ผู้ไม่ต้องศึกษาคือสําเร็จแล้วว่าอเสขะน่ยแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาจบมดบริบูรณ์ พระเสขะเนี่ยยังเป็นผู้ศึกษาอยู่คือยังเป็นพระโสดาพระสกทาคาพระอนาคาจะต้องภาวนาอีกเพื่อจะได้สําเร็จเป็นพระหันถ้าเป็นพระหันเนี่ยว่าอะเสขะอะน้ำนาอเสขะผู้ไม่ต้องศึกษาพระเสขะเนี่ยแปลว่าผู้ยังศึกษาแต่นี่พอพระพุทธเจ้าพระนินพพานพระสงฆ์ทั้งหลายก็ลองหม่มลองหายมีพระ แ, แก่องค์นี่ยแะ เออจีว่าพวกท่านทั้งหลายลองไหายให้ยาพอพระพุทธเจ้าตายไปเลยก็ดีแล้วพอพระพุทธเจ้ายังส่งประชนินอยู่เนี่ยพวกนั้นเฮ็ดพิษก บ, บัญญัดวิเน่ยเหลียกประชุม่มพระพุทธเห็ดพิษกัเรียกวิเน่ยตั้งบรญยัติตั้งกฎเออตั้งกฎ ก, ฎกติกาขึ้นห้ามวายเห็ดเนี่ยเมื่อพระพุทธเจ้าไปในนี้พานไปลนแล้วก็ดีแล้วเนี่ย สุปัฏฐะภิกษุบวชไผ่แก่เ้าจึงเฮ็ดยังก็เฮาก็เฮ็ดสบายบาดเนียวจันแนพระพุทธเจ้าตายไปแล้วจันแไปจึงเฮ็ดจั น, นแนก็ตามสบายบาดเนียวจันแตะก้อนหนึ่งพระพุทธเจ้าเป็นผู้ห่นะเบืองน้ตคือกันกับลูกเงาหลายหลายคนนะเนี่บางคนอนะกเกลเรนะ่ไปกินเหล่าเมายาอหา ตีหัวขู่ค้นมมดไปป่าทาพ่อตายเาก็ดีแล้วเนี่ยเอเ้าสิ <c oughs> เห็ดยังเข้ากัเห็ดบ่านี้เข้นเนเาสิทำมาค้าขายเางินอีพออยู่ใสขายไงขายหน้าขายเนึ่ยครับเข้าจิได้กินเหล่าเม้ายาเยทีเท่ยวสนุกสนานพ่อตายละวันมี้ผมได้หำแอนพันพอพอ ย, อยั่งยูเนี่ยเอ้เดี๋ยวหำเมืม่อย่าเห็ดเนี่ยเมื่อจะไปเผอเผย เ, เสียวตำรวจจับอีกตั้งหาก วันนี้พ่อตายเลยสบายเห่าคนนั้นเลยแหม่เนี่ยนะลูกนักเลงเป็นดังจันทระอันนี้คือกันพระทุพัธานี่ยก็บ่าแบบนั้นล่ะพระมหาคัจพะได้กเงีโ้โหนคันว่ามีพระเบ่าแบบนี้ห ล, ลายองค์ศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือสีอยู่ บ, บ่ยืดบ่อย้าวเลยนี่บ่ถึงหาพันปีแล้วเนี่ยก้องจะบ่ยืดพอเหตุใดพราะต่างคนต่างถ้ำไร่ไง ทำไร่ทำไร่พุทธศาสนาต้องสั่นเขาเพราะบ่เห็นคุณนข่าผู้ที่เห็นคุณนข่าก็มีผู้ที่ได้ปฏิบัติได้อัดได้ทําก็เห็นคุณนข่าอผู้ที่บ่ได้เห็นคุณนข่าเห็นแก่ยู่แก่กินแก่สนุกสนานเพิดเพื่อนในห้าเป็นมือเป็นเว้นไปเนี่ยแบบนี่แล้วเนี่ยออย่างไรผู้คนปฏิบัตดิดีปฏิบัติชอบร่ำหายตายมัดมีแต่คนชัวร์น้ำกันมันถือสนุกสนุกเคล็ความชัวเนี่ย พรคนชัวร์เลยมันต้องเป็นแบบนี้พอมหากัตปาสัตต่งพ่อถวายเพลิงศรีระของพระพุทธทเจ้าแล้วพระมหา ก, กัตปาก็เลยป่าลกขืนกับท่ามกลางสวงว่าดูก่อนอพี่น่องทางหลาย น, น่องนงทางหลายสงทางหลายพวกเห่าสิเหตุยังไงเมื่อพ่อตายแล้วเนี่ยกขาบอกลักษณะนี้แหละคนไปก็เม็นว่าเป็นภาษาชาวบ้าน พอเข้าไต่แล้วเสียเฮ็ดยังไหนเข้าสียรวบร่วมรักพระธรรมวินัยลักคั้สอนของพอให้เป็นหมวดหมูดีบอขันอาวาบอเข้าบอจัดเป็นหมวดมูบอรประชุ่มกันบอเลี่ยงลํารับไปเนี่ยมันกระจายเนี่ยพุทธศาสนาเกิด อ, อยู่บน น, นั้นนี่เห็นมรณนะขนาดพระพุทธเจ้า บริเนพานมกีมื่นสุพัทธายังจ้วงจาบ อ, อบอกว่าพระพุทธเจ้าตายไปก็ดีแล้วพวกเฮาจีเฮต์อย่างกเ็เฮต์ต่อไปไพ่ภาคนาเนี่ยสบายไงผมมีพระได้หามพระได้ปามนี่เพียงแค่นี้ก็เห็นแล้วมูทั้งหลายเห็นด้วยบอกพระสงฆ์ทั้งหลายล้วนจะเป็นพลัหรหัน์เห็นด้วยเอาให้คัดเลือกก็เลยคัดเลือกพลังหัน ได้สีลอยเก่าสิบเก่าลูกล้วนแล้วจะเป็นพระรหันต์ยังขาดอยู่องค์หนึ่งองค์หนึ่งก็คือพระ อ, อ, นอนุนคนหนึ่งสำเร็จเป็นพระโสดาบันเพ่ระมดันจบปริญญาเอกค น, นไปเออได้หาก็ได้ปริญญาตรีค น, นไปเอ่อจบมัธยมเอ่อจบมหกค น, นไปต่เน่ก็ ขั้นที่เอาเขามาที่เอาเข้อไปชุมน้ำมดเป็นประวัติศาสตร์ต่อไปพ่ายผากหนาวว่าพระที่เข้าประชุมวันแรกประชุมครั้งแรกที่ทำสังขายนาครั้งแรกที่พระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วพระสงฆ์เข้าไปชุม499รูปปริญญาเอกทั้งหมดจบม .6 คือพระอานนท์ มันจะเป็นประวัติทางสันเนเป็นประวัติศาสตร์ที่พระมหากษัส ป, ปาก็เลยบอกอพระอนุ น, นี่พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ไปว่าเมื่อเราตถ า, าคตปรินิพานไปแล้วสามเดือนพระอนุ น, นจะได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เพราะนั้นพวกเราประชุมอีกจักนี้ไปสามเดือนอย่าค่อยประชุมประชุมหาลรือกันนะ ต, ต่างคนต่างพักผ่อนไปก่อนลักษณะงั้นบัดนั้นเกิเขาจะไปชุมอยู่ใสไปไประชุมอยู่กรุงราชคฤห์นี่พระพุทธเจ้าปรินิพานกุชินาราเดย์กุชินาราพระพุทธเจ้าปรินิพานไปไประชุมกรุงราชคฤห์พระเจ้าไอชาติศัตรูเป็นสาธรารณธรรมพกเพราะพระเจ้าชาติศัตรูนี่ที่ขาที่ขาพ่อเนี่ย ข้าพระเจ้าพิมพ์พิสารที่แขังพอนะเพิ่นกลับใจกับยิตกับใจเป็นคนดีเลยได้บัตรเพิ่นกับพ้อมที่จะให้การสนับส น, นุนในการทําสังฆายะนาอันเลยไปขอรองเพิ่นเพิ่นยิ้ดดีรับเลยแหละพระเจ้าอาซาร์ศัตรูเพ่จะได้ล้างบาปในการทําความชั่วเจ้าของอีกเพิ่นก็นเลยต้องการที่ไหนเพิ่นก็นต้องการทําศตตบันคู่หาฮะนี่แหละ อันนี้กัพระสงฆ์ทั้งหลายก็เลยไปจัดสถานทีท่ประชุมองค์ใดที่บวกเกี่ยวของให้ออกจากกรุงรัฐจะคือมัดเพราะเหตุใดเพราะว่าพระสงฆ์หารอยรูปไมาอยู่ในกรุงราชคือพวกจะมั่งบวชใหญ่ปัญญามั่งให้พระสงฆ์ที่บวกเกี่ยวของออกไปอยู่ทั้งนอกกรุงเพื่อจะได้บวชอยู่เยงบุญไหวยในการสังฆายาหนาส่วนหนึ่งแล้วกัการบิณฑบาตส่วนหนึ่ง แต่หลวงพ่อคิดว่ากคงจะบวกเกี่ยวกับเรื่องบินนาบาทคงจะเกี่ยวกับเรื่องจีม่ายกุมนั่นเห็นความเห็นตังเส้นกุมนี่เห็นอัไรสิคือคงจะหยาดมันมีหมอบอย่างกูมือนเนี่ยหรอวะหมอบหน่อยมอบใหญ่เขามาคัาดขนันพระาหารผลนก็เลยจัดการแต่ตนล้มไปเลยให้ออก ม, มัดมีตะพาสงหารอ ย, อยู่นี่กุ้งราชคือ นี่ยแะจากนั้นสังข่ายหน้าพระธรรมวินัยขืนมากเป็นขังที่แรกขังแรกต่อมากกับขังที่สองกัเรื่องที่สองที่สามมิตรเรื่องใหญ่ๆทั้งหมดนเสังข่ายจะหนาพระธรรมวินัยพระธรรมคาสอนของปพุตรเจา้านี่แหละความเป็นมากในหลักธรรมอันนี้เท่ากับวรจะศึกษาขึ้นกันหลวงพอห้องบวชเข้ามาแล้วขวนจะศึกษาแล้วก็พร้อมกันเ น, นี่ะ เบิงตรวจตราไพ่ไพ่ก็ต้องการความเป็นระเบียบอยู่ในรักพระธรรมวินัยวาว่าไพ่ถามไพ่ก็ถามทุกองค์นตั้งแต่หลวงพ่อไปหลวงพ่อก็อยากจะให้พระเน้นพระสงฆ์ทั้งหลายอยู่ในรักพระธรรมวินัยศรัทธาญาติโยมเือกันอยากจะให้พระสงฆ์อยู่ในศีลละวินัยอยู่ในกฎระเบียบ จะได้ทําบุญทําท่านก็จะบายใจเพราะพระสงฆ์อยู่ในกฎระเบียบกันพระสงฆ์ออกนอกลูก่นอกทางบ่มีกฎบ่มีระเบียบเข้ากับบ่สบายใจคือกันพุทธบริษัทแต่สิ่ทำบุญกับกบชนิดใจขึ้นกันเพราะเหตุใดเพราะพระสงฆ์ออกนอกลูก่นอกทางทาตัวบ่เหมาะสมฮะอันนี้เนี่ยเมื่อต่างคนต่างคิดจังสี่เพราะนั้นฝ่ายพระสงฆ์กวดี ไฟคาราวาท์หยาดง้มกาว่าดีไฟคารวาทหยาดง้มอยากจะให้ผู้อื่นเธอเฮ็ดดีบาฮาเจ้าของกินเหล่าหัวล้านน้ำอยู่เนี่ยไหนมันซัวขนมาใส่เจ้าของบัตรละไรผอยากให้ผู้อื่นดีอย่าให้พระสงฆ์ดีเอ่ห์าฟพระสงฆ์ขึ้นกัดเอ่อยากจะให้แต่ผู me. uh e ้อื่นดีบุบเบิลเจ้าของสรุปแล้วก็คือให้ตรวจตราเบิลเจ้าของอันไหนมันบมดีคอมเมนท์เฮ้าเป็น เคยเป็นฆรวาดมากะมาบวชเขามาบวชเ อ, อ่อทำไมขาเป็นคราวาสเน่ขาตั้นิพพานละบ่าเออพระบนาเห็ดจังสีบนาถ้ำจังสีเอ่อบัต้าเห้ามาบวชแล้วบาเนีเป็นอย่างเห้าจะมาเห็ดเองฮะเออบางที่เคยมีเลยเอมีพระุูกน่องของหลวงพ่อองค์หนึ่งเอ่อหลวงพ่อองค์หนึ่งติพาในแก้งหมนออาไป สมัยเป็นคารวาัตเน่ยแต่ตำนหนิพระก็ลงไปมันก็มาเบอกต้อน่าเห่านี่ยละว่าเห่าเป็นอาจารย์เห่าก่อนนั่นนะพระจงเงินดูนั่นเป็นนี้อย่างนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ปนวันมาหาเจ้าของมาบ่เนี่ยมาจากกรุงเทพมารถทัวร์มันเสียบ่เนี่ยเสียเครื่องทางพอมอฮอดแถวเนี่ย่ย ะ, แ ถ, ะแถวสีเชียงใหม่ลงรถมันจะเว้นบายเลยได้บัตร เออปัจจบ้ามันหิวเขาใช่ไหฟาดกินเข่าตอนตอนบ่ายวนออไปบ้านในโยมก็มาบ่อยฟังหมดเลลงพอลงพอจะไหนผ้าในกินเขาตอนบ่ายมันพิษอยู่บอกเพิ่นเพิ่นบริสันตอนเศ้าแล้วรดมันเสียจะไหนมาหอดตอนบ่ายเพราะก็ได้สันตอนบ่ายโ้ยมันก็พิษนั่นแหละืัญหายานตายพนันแต่เ่อกินน้ำอื่นก็ได้ตัวน้ำตงน้ำตาลโกโกกาแฟก็ได้ปหาอย่งกินเข่าอย่างนี้ บาดฮาเป็นคารทพระติผู้อื่นบาดาโตวเอ่าเป็นพาลกินกินหอดเขาเนียม้แรงหอดต่อนบเาน็นทันละโบอะตะบ๊ตกบ๊ตะเขาอินนอเป็นเองเป็นที่ละต่อไปพวกเงาเบิ่งเจ้าของนะผมพอวางแล่วเอาละพอ น, นะบัดเนี่ยผพอหายแน่วความคิดแนวนึงแมนบอกว่าลกล้านไ